เพิ่มทูนบุญบรารมีเพิ่มพูนความสุขความเจริญให้แก่จิตใจด้วยการมาทำบุญตักบาทถวายอาหารข้าวหวานถวายสังฆทานฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นการเติมบุญ ซึ่งเป็นเหมือนน้ำมันของรถยนต์ที่จะพารถยนต์คือจิตใจให้ได้เดินทางไปอย่างสะดวกสบายจนถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาคือพระนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ชีวิตของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่ชีวิตของเราอยู่ที่จิตใจร่างกายของเราเป็นเพียงที่อยู่ชั่วคราวของจิตใจร่างกายเป็นที่สร้างบุญสร้างคุสมเป็นเครื่องมือที่จิตใจจะใช้มาสร้างบุญสร้างคุสมเพื่อที่จะ ส่งให้จิตใจได้ไปสู่ที่ปราถนาคือที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> ร่างกายจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่สําคัญมีความสําคัญก็เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่จะรับใช้จิตใจ ให้ได้พัฒนาจิตใจให้สูงให้เจริญขึ้นไปตามลาดับแต่ร่างกายนี้ก็มีอายุขัคือมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ใจผู้ที่ได้มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจจึงไม่ต้องไปวิตกกังวลกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายให้วิตกกังวลต่อต่อบุญกุศลหรือบาปกรรมที่ใจเป็นผู้กระทำถ้ารู้ว่าการกระทำบาปเป็นการสร้างความทุกข์ สร้างความเสียหายให้แก่จิตใจก็ควรพยายามที่จะละเว้นอย่าทำบาปถ้าเห็นว่าหรือรู้ว่าการกระทาบุญเป็นการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจก็ควรที่จะพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจน มีบุญเต็มอยู่ภายในหัวใจมีความสุขอยู่ตลอดเวลาความสุขและความทุกข์จึงอยู่ที่ใจอยู่ที่การกระทำของใจที่ทำออกมาผ่านทางความคิดแล้วก็ผ่านการพูดทางร่างกายและการกระททางร่างกายพอทำไปแล้วก็จะเกิดผล ขึ้นมากับใจถ้าคิดดีพูดดีทำดีใจก็จะเกิดความสุขเกิดความเจริญขึ้นมาถ้าคิดร้ายพูดพูดร้ายทำร้ายใจก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมตามมาความสุขในใจนี้เราเรียกว่าสวรรค์ส่วนความทุกข์ในใจเราเรียกว่านรก ดังนั้นนรกและสวรรค์ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่ใดแต่อยู่ที่ใจเป็นผลที่เกิดจากการคิดดีพูดดีทำดีหรือคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายดังนั้นเราอย่าไปมองหาสวรรค์หรือนรกตามสถานที่ต่างๆเพราะว่าจะไม่พบนั่นเองเมื่อไม่พบแล้วก็จะอาจจะต่อยความ เห็นผิดเป็นชอบไปได้เห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเป็นต้นความจริงนรกสวรรค์นี้มีอยู่ตลอดเวลาในใจของเราผัดกันเกิดผัดการดับเวลาที่เราคิดดีพูดดีทำดีใจของเราก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาเป็นเทพขึ้นมาเวลาที่เราคิดร้ายพูดร้ายทำร้าย ใจของเราก็เป็นระกขึ้นมาเป็นเปลขึ้นมาเป็นเดรัจฉานขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่ใดอยู่ที่ใจของเราถึงแม้ว่าเราจะมีร่างกายของมนุษย์แต่ใจของพวกเรานั้นมีความแตกต่างกันเนื่องจากเราทำบุญทำบาปมาต่างกันนั่นเอง ใจบางท่านก็เป็นพรหมใจบางท่านก็เป็นเทพใจของบางท่านก็เป็นมนุษย์ใจของบางท่านก็เป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกใจนี้ถึงแม้ว่าจะมีร่างกายเหมือนกันแต่ใจนี้มีความแตกต่างกันเพราะมีการกระทำ ท, ที่แตกต่างกันนั่นเอง ผู้ที่ค่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะเป็นผู้ที่มีใจที่ต่ำเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างผู้ที่ทำบุญก็จะมีใจที่สูงเป็นเทพขั้นต่างๆเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆดังนั้นเราจึงควรที่ ดูใจของเราเป็นหลักถ้าเราอยากจะเห็นผลที่เกิดจากการกระทําของเราว่ามีจริงหรือไม่มีจริงขอให้เราดูที่ใจของเราเวลาที่ใจของเราว้าวุ่นขุ่นบัวทุกทรมานใจเวลานั้นใจของเรากําลังได้รับผลของการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดี เวลาที่ใจของเรามีความสงบมีความสุขมีความเย็ยนมีความสบายเวลานั้นเป็นเวลาที่ใจของเราได้รับผลจากการคิดดีพูดดีทำดีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราคิดดีพูดดีทำดีอย่าคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายแล้วก็ให้ ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราต้องการใจที่ไม่มีความทุกข์ใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใจจะต้องสะอาดบริสุทธิ์คือต้องกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจใจก็จะต้องไปรับผลของบุญและของบาปที่ได้ทำเอาไว้แต่ถ้าใจได้ชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็ไม่ต้องไปรับผลของบุญของบาปอีกต่อไป เพราะว่าถึงแม้จะเป็นผลของบุญก็ยังไม่ดีเท่ากับการไม่ไปเกิดเพราะการไปเกิดไม่ว่าจะเป็นชั้นเทพหรือชั้นพรมก็ยังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมเช่นถ้าได้บำเพ็ญจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบ เป็นฌานเป็นสมาธิขึ้นมาเวลาตายไปใจก็จะเป็นเป็นพรหมไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแต่กำลังของสมาธินั้นก็จะค่อยๆเสื่อมลงมาตามลำดับพอกำลังของสมาธิเสื่อมลงจิตก็จะมีอาการหยาบขึ้นตามลำดับ ก็จะเสื่อมลงมาจากชั้นพรหมมาสู่ชั้นเทพแล้วจากชั้นเทพ <c oughs> ก็จะเสื่อมลงกลับมาสู่ชั้นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือผลที่ได้รับจากการทำบุญเช่ <c oughs> นการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นผลที่ดี แต่ก็ยังสู้การที่ไม่ไปเกิดการที่ไม่ไปเกิดนี้ดีกว่าเพราะว่าจิตไม่มีความเสือ่อมจิตพบกับความสุขที่เกิดจากความสะอาดบริสุ์ของจิตใจจะไม่มีวันเสือ่อมจะไม่มีวันหมดไปจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดนี่คือจิตของผู้บริสุทธิ์คือ พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายจิตของท่านได้รับการชำระจงสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงจึงเรียกว่าเป็นพระนิพพานเป็นบรมลสุขจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นี้จะมีแต่ความความสุขที่สูงสุดความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย ความสุขที่ไม่มีความทุกมาเกี่ยวข้องด้วยต่างกับความสุขในระดับของของบุญของโลกิยะคือระดับพรหมและเทพที่มีความเสื่อมและมีความทุกขผสมไว้ไว้ด้วยคือความสุขจะค่อยๆหมดไปความทุกข์ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาตามลำดับ นี่เป็นการการปฏิบัติที่พระพุทธจเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ยังมีความโง่เขลาเบาปัญญายังมีความลุ่มหลงอยู่ยังไม่รู้จักว่าตนเองนั้นเป็นใครกันแน่ยังหลงคิดว่าตนเป็นร่างกาย ยังลงคิดว่าความสุขทั้งหลายอยู่จากการได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะต่างๆยังหลงอยู่กับความคิดที่คิดว่าความสุขอยู่กับการเจริญลาบยศสรรเสริญเพราะว่าไม่มีปัญญาไม่เห็น ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเสื่อมในลาบยศสารเสริญสุขแต่ผู้ที่มีปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายจะเห็นว่าลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้หาใช่เป็นความสุขไม่แต่เป็นความสุขที่ พุ่มหอความทุกข์ไว้เวลาที่เกิดความเสื่อมตามมาความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาเหมือนน้ำเวลาลดต่อก็จะโผล่ขึ้นมาฉันใดความสุขที่เราได้รับจากราบยศเสริญสุขเวลาที่เกิดการเสื่อมราบยศเสริญสุขก็จะเกิดความทุก ใจขึ้นมาอย่างที่พวกเราคงได้สัมผัสกันมาตลอดเวลาเวลาที่เรามีความสุขกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอบุคคลนั้นหรือสิ่งใดสิ่งนั้นจากเราไปเวลานั้นเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เรามีเงินมีทองเราก็จะมีความสุข แต่พอเราสูญเสียเงินทองไปเราก็จะมีความทุกข์เวลาที่เราได้ตำแหน่งต่างๆได้ยศต่างๆเราก็มีความสุขแต่เวลาที่เราต้องสูญเสียยศสูญเสียตำแหน่งไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เราได้รับการยกย่องสรรเสริญเยินยอ เราก็มีความสุขใจแต่เวลาที่เราได้รับการคารหานินทาตําหนิติเตียนเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะนี่คือความสุขของทางโลกเป็นอย่างนี้เป็นของที่มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากการทำบุญที่เกิดจากการชําระ จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้ายังไม่สามารถก็จะได้รับความสุขชั่วคราวที่จะต้องเสื่อมลงมาดังนั้นเป้าหมายของของพระพุทธศาสนา จึงไม่ได้อยู่ที่การทำบุญเพื่อให้ได้ไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทพเป้าหมายของพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่การชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจิตจะได้รับบัปรมังสุขขังคือบรลมสุขของพระนิพพานที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดสิ้นไปแต่การบำเพ็ญ ก็จําเป็นจะต้องทําบุญก่อนละบาปก่อนแล้วก็ค่อยมาชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนื่องจากการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นงานที่ยากกว่าการละบาวยากกว่าการทําบุญนั่นเองต้องอาศัยการทําบุญการละบาปเป็นเป็นบันไดที่จะก้าวขึ้นไปสู่ การชำระใจให้สะอาดบริสุทธนะพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ทำบุญให้ทานก่อนเมื่อทำบุญให้ทานแล้วใจก็จะมีความเมตตากรุณาเมื่อมีความเมตตากรุณาก็จะไม่มีความคิดหรือความปรารถนาที่จะเบียดเบียนหรือสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เมื่อมีความเมตตาแล้วก็จะไม่ชอบที่จะทําบาปการละการกระทําบาปก็จะกระทําได้อย่างง่ายดายแต่ถ้ายังไม่ได้ทําบุญหรือทําบุญโดยโดยมีเจตนาที่ไม่ถูกต้องคือทําบุญด้วยความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทําไปแล้วจิตใจก็ยังจะไม่มีความเมตตา เพราะไม่ได้ทำด้วยความเมตตานั่นเองการกระทาบุญที่ถูกต้องนั้นต้องทำด้วยความเมตตาเพื่อที่จะทำให้จิตใจนั้นไม่ชอบที่จะทำบาปไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นเพราะกา ร, กรทําบุญนี้เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือเรียนหนังสือชั้นประถม เพื่อที่จะให้ก้าวขึ้นสู่ชั้นมัธยมการทำบุญให้ฐานนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจให้ก้าวขึ้นสู่การรักษาศีลไม่ทำบาปแล้วการรักษาศีลก็เป็นการทำเพื่อพัฒนาจิตใจให้ก้าวขึ้นสู่การภาวนาเพื่อชำระจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์นั่นเอง ดังนั้นเมื่อเราถ้าเราทำบุญแล้วเราก็ต้องสามารถรักษาศีลได้ถ้าเรายังไม่สามารถรักษาศีลได้ก็แสดงว่าเรายังทำบุญไม่ถูกต้องเรายังทำบุญด้วยความโลภด้วยความอยากอยู่แทนที่จะทำบุญเพื่อตัดความโลภตัดความอยากทำบุญเพื่อสงเคราะห์เพื่ออุปถัมช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้เกิดความเมตตาดังนั้นเวลาเราทําบุญขอให้เราทําด้วยความเมตตาต้องการสงเคราะห์ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากใครทั้งนั้นเราทําเพื่อเอาบุญคือความสุขใจความเมตตาเพราะว่าเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะ สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่<อ>การปฏิบัติขั้นที่สูงขึ้นไปได้ต่อไปก็ค<อ>ือการรักษาศีล<อ><อ>การรักษาศีล<อ>กรร็คืรอ ร, รักษาให้จิตใจของเราให้สงบไม่วุ่นวายไปกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่างๆเวลาที่เราทำบาป<อ>เช่นเราไปทำสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ใจของเราจะมีความวิตกกังวลมีความว้าวุ่นขุ่นมัวซึ่งจะทำให้การชำระใจคือทำใจให้สงบนี้ทำไปได้ไม่ไม่ง่ายจะทำได้อย่างลำบากแต่ถ้าเรามีศีลใจของเราไม่วุ่นวายไปกับการกระทำที่ไม่ดีทั้งหลาย ใจของเราก็จะไม่มีความว้าวุ่นขุนมวัวไม่มีความวิตกเวลาจะทำใจให้สงบก็จะง่ายจะง่ายกว่าผู้ที่มีผู้ที่ไม่มีศีลดังนั้นการรักษาศีลนี้ก็เพื่อที่จะสนับสนุนการภาวนาแลวเมื่อเราภาวนาใจของเราสงบ ความสงบนี้ก็จะสนับสนุนการเจริญปัญญาใจที่สงบนี้จะเห็นอะไรต่างๆตามความจริงคือใจจะไม่มีอารมณ์ที่เรียกว่าอคติมาคอยทำให้มองไม่เห็นตามความเป็นจริงถ้ามีอคติแล้วจะไม่สามารถมองตามความจริงได้เช่นถ้าเรามีความรัก เราก็จะมองไม่เห็นความไม่เที่ยงหรือความดับของสิ่งที่เรารักเพราะเราไม่อยากจะให้สิ่งที่เรารักนั้นจากเราไปแต่ความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดามีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาแต่ถ้าใจไม่สงบใจจะมีอคติจะมีรักมีชัง มีกลัวมีหลงเมื่อมีอคติแล้วก็จะไม่สามารถมองตามความเป็นจริงได้เช่นรักใครก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไม่อยากให้เขาจากออกไปก็จะทำไม่ให้เห็นความไม่เที่ยงคืออนิจจงว่ามีการเกิดก็ต้องมีการดับเป็นธรรมดาเมื่อไม่เมื่อมีอคติ ก็จะไม่สามารถปล่อยวางตัณหาความอยากได้เมื่อไม่สามารถปล่อยวางตัณหาความอยากได้ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ปัญญาที่จะใช้ดับความทุกข์ก็จะไม่สามารถดับได้เพราะไม่มีปัญญาไม่สามารถมองความจริงตามเป็นจริงได้ไม่สามารถมองความไม่เที่ยงอนิจจ์ได้ ไม่สามารถมองเห็นความทุกข์ในสิ่งที่ตนรักได้ไม่สามารถมองเห็นอนัตตาคือไม่ใช่ของเราได้เวลาเรารักอะไรแล้วเรามักจะครอบครองสิ่งนั้นคิดว่าเป็นของเราแล้วก็คิดว่าเป็นความสุขและคิดว่าจะอยู่กับเราแต่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบแล้ว เวลาที่จิตสงบนั้นอคติคืออารมณ์ต่างๆเช่นความรักความชางังความกลัวความหลงก็จะสงบตัวชั่วคราวสงบไปตามกับความสงบของใจเวลาใจออกจากความสงบอารมณ์คืออคติก็ยังจะสงบตัวอยู่ยังไม่มีกำลังจะค่อยๆก่อตัวขึ้นมา ในขณะนั้นเป็นเวลาที่เหมาะต่อการพิจารณาความจริงคือพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆพิจารณาความทุกข์ของสิ่งต่างๆพิจารณาความไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราของสิ่งต่างๆตอนนั้นจะเห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตไม่มีอคติจิตมีเหตุมีผลนี่คือ อานิสงส์ของสมาธิสมาธินี้จะช่วยสนับสนุนให้สามารถพิจารณาปัญญาได้เจริญปัญญาได้ให้สามารถเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้คือให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆได้พอเห็นแล้วก็จะสามารถละสมุทยัยคือความอยากในสิ่งต่างๆได้ จะไม่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นถ้ารักสิ่งใดก็จะจะไม่มีความรักจะรู้สึกเฉยเฉยต่อสิ่งที่เคยรักแล้วก็จะไม่มีความอยากให้สิ่งที่เคยรักนั้นอยู่กับเราเป็นานๆนให้ความสุขกับเราเป็นของเราเพราะเห็นตามความจริงแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาไม่อยู่กับเราไปตลอด เขาไม่ให้ความสุขกับเราไปตลอดเขาไม่ได้เป็นของเราไปตลอดนี่คือการเจริญปัญญาซึ่งเป็นการชำระใจที่ที่ถาวรต้องชำระด้วยปัญญาการชำระใจด้วยสมาธินี้ชำระได้เพียงชั่วข่าวชำระเพื่อเป็นบาปเป็นฐานของการชำระด้วยปัญญา อย่างนั้นการปฏิบัติของเราจึงต้องดำเนินเป็นขั้นเป็นตอนไปเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นทานเพื่อให้ก้าวสู่ขั้นศีลเพื่อให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นสมาธิคือความสงบแล้วก็ให้ก้าวขึ้นสู่ปัญญาขั้นสุดท้ายปัญญานี่แหละจะเป็นผู้ที่ชาระกิเลสคือตัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจ ได้อย่างถาวร น, นี่คือความสัมพันธ์ของทำทั้งสี่ประการนี้คือทานจะสนับสนุนให้การเจริญศีลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายศีลก็จะช่วยสนับสนุนการทำจิตใจให้สงบให้เป็นไปได้อย่างง่ายดายและสมาธิคือความสงบก็จะสนับสนุนให้ เกิดปัญญาให้เห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายได้อย่างง่ายดายคือจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อปัญญาเห็นได้อย่างนี้แล้วก็จะสามารถละสมุทยัยคือตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายได้หมดคกอจะละกามะตัณหาความอยากในกา ได้ละภาวะทันหาความอยากมีอยากเป็นได้ละวิภวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้พอละความอยากทั้งสมนี้ได้หมดแล้วความทุกข์ภายในใจก็จะหมดสิ้นไปก็จะปรากฏเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรียกว่านิโรดนิโรกก็คือความดับของทุกข์นั่นเอง เมื่อทุกทั้งหลายดับไปจิตก็จะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นพระนิพพานขึ้นมาเป็นจิตที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่ไม่ได้สูญหายไปไหนจิตก็ยังเป็นจิตเหมือนเดิมเหมือนขณะที่ยังมีกิเลสอยู่ต่างกันตรงที่จิตที่มีกิเลสนั้นจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิด จะต้องไปแบกกับความแก่ความเจ็บความตายแต่จิตของผู้ที่สะอาดบริสุทธินี้ก็จะไม่ต้องไปแบกความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่จิตทั้งสองนี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนจิตของที่ผู้ที่มีกิเลสก็ไม่ได้สูญหายไปไหนจิตของผู้ที่ไม่มีกิเลสก็ไม่ได้สูญหายไปไหนเหมือนกัน เหมือนกับเสื้อที่เราเอาไปซักนี่แหละจิตของเรานี่ก็เป็นเหมือนเสื้อถ้าจิตของปุตุชนจิตที่มีกิเลสก็เป็นเสื้อที่สกรปรกนั่นเองส่วนเสื้อที่ได้รับการซักแล้วก็เป็นเสื้อที่สะอาดเสื้อที่สะอาดก็ไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่หายไปก็คือความสกรปรกจิตของจิตที่สะอาดโดยสุดก็เป็นอย่างนั้น จิตที่สะอาดบริบสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้หายไปไหนเหมือนกับจิตของผู้ที่โสโปกนั้นของจิตที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ต่างตรงที่กิเลสจิตของผู้ที่สะอาดบริบสุทธิ์นี้ไม่มีกิเลสตัณหาแล้วเท่านั้นเองดังนั้นพวกเราไม่ต้องไปกลัวว่าถ้าเราปฏิบัติไปจนกระทั่งจิตของเราสะอาดบริบสุทธิ์แล้วจิตของเราจะสูญหายไป จิตไม่มีวันสูญหายมีแต่กิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่จะสูญหายไปนะเมื่อไม่มีความทุกข์ภายในใจแล้วก็จะไม่มีอะไรวิเศษกว่านี้ไม่มีอะไรในโลกนี้จะวิเศษเท่ากับจิตใจที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับจิตใจที่มีความสุขตลอดเวลานี่แหละคือเป้าหมายของ ของพุทธศาสนาเป้าหมายของพุทธศาสนิขชนเป้าหมายของพระธรรมคาสอนของพระพทธเจ้าสอนให้พวกเราได้ไปถึงความสะอาดบริสุดของจิตใจให้เราได้ไปถึงบรมมาสุขคือปรมังสุขขังของพระนิพพานนี้เองจึงขอให้พวกเราจงอย่าไปลังเลสงสัยอย่าไปเห็นว่า ความสุขต่างๆทั้งหลายนั้นจะดีเท่ากับความสุขของพระนิพพานพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์มาแล้วทั้งสองแบบความสุขทางโลกก็ได้ทรงพิสูจน์มาแล้วและก็ทรงเห็นแล้วว่าไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ที่ซ่อนความทุกข์เอาไว้เป็นความสุขที่ที่เสื่อมคลายไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็มีความทุกข์มาแทนที่แต่ความสุขของพระนิพพานนี้พระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีความไม่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เลยมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอให้พวกเราจงตั้งเป้าของการดำเนินชีวิตของเราไปที่พระนิพพานขอให้เราหมั่น ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาเพราะการกระทำนี้แลละจะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดพระนิพพานขึ้นมาในที่สุดจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญให้ทานรักษาศีล ปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ให้ท่านไปพิิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัย